50 languages. n u r e d วิเศษวินัยรรเคยยังไม่เคยเยกนเวมุนเบอินนอิล คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยังนี่เยึดกนเวเบอร์ลินนักรมเซนต์เริกกีราอย่าไม่ยังไม่เคยเลยค่ะอินเล็อินนุ่มอินเล็ใครไม่มีใค ร, ย อ, รอย่าเรียนหนูอรุเบเรย์หนูคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? ่ติดอไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ இல்லை எனக்கு ก็் க ேเ ர ย வ ர ை ய ு ம ் தெரியாது อีกนิดอีกไม่นาน இன்னும் ச ி ற เ த ு நேரம் இன்னும் வெகு நேரம் คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม นี่ยังกินนุ่งเสื้อดินเนอร์ตั้งกี่ไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะอีกเลนอนยังกินนุ่งเวกเนอร์ตั้งกี่อเตอะไรอีกไม่อีกแล้วเวรเยดีนุ่งเวรเยดุกคุณอยากดื่มอะไรอีกไหม นิ่งกันเวรเยดีนุ่มคุริกกีรครับไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะไม่ยันก็เวรเยดูนุ่มเบนดองอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยเย็นกันนะเวรเยดีนุ่มเยคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม นิิงกันยังกินอะไรยังไงหนุ่มชอบปิดทวิตเต่ิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะอี๋เลยน้องอี๋หนุ่มยังดมชอบปิดอะไรมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วเวรยารยาบดื้อ ய ாรுา்ูுมีใครอยากรับกาแฟอีกไหม เวอร์ยอร์ข้าวัตถ์คัพเป้ย์เปนดม้าไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะไม่เวอร์ยอร์คุณเป็นดม้า ค, รคารุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวโหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด